เรื่องการปลูกต้นโพครั้งหนึ่งท่านพระอาจารย์ไปพักอยู่ในวัดร้างแห่งหนึ่งวัดนั้นมีต้นโพหลายต้นแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างขวางมากใบแห้งหล่นเป็นกองพัเนินท่านก็เลยบ่นว่าต้นโพนี้เอามาปลูกทำไมกันโรคที่ต้นไม้อื่นก็ขึ้นไม่ได้นกมาขี้ใส่ ทำลายโบสถ์วิหารผู้เล่าคิดในใจว่าโพตรสรู้ไกลไกลก็อยากได้บุญขณะนั้นท่านกําลังกวาดใบโพแห้งอยู่จึงพูดว่าบุญมีแต่ปลูกต้นโพเท่านี้หรืออย่างอื่นไม่มีหรือต้นโพพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระองค์ก็ตรัสรู้ไปแล้วและต้นโพที่ปลูกกันเป็นร้อยๆพันๆก็มีเห็นมีใครสักคนเดียว มาตรัสรู้อีกท่านว่าแต่ละยุคมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้องค์เดียวแล้วจะปลูกให้ใครมาตรัสรู้อีกแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้ก็ไม่ใช่ใต้ต้นโพยอย่างเดียวต้นไม้อื่นก็มีท่านว่าอย่างนี้ไม้ต ร, รัสรู้สิชนิดจากคัมภีร์นาคตวงศ์กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ เช่นพระเมตไตรจะเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าเมตไตรมีไม้การกระทิงเป็นไม้ตรัสรู้พระรามะจะเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ารามะมีไม้จันทร์เป็นไม้ตรัสรู้พระเจ้าประเสณที่โกศลจะเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าธรรมราชามีไม้การกระทิงเป็นไม้ตรัสรู้เป็นต้น